ไม่บาปไม่บุญยังแสวงสร้างบุญเชื่อนะพระพุทธรธรรมพระสงค์อย่าสนิทไม่สงสัยพ้อคำสอนใดๆในใจโรกธาตุนั้นเป็นเมืองขึ้นคำสอนของพระพุทธศาสนาหมดอยู่ในตัว ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาความจริงในชั้นนี้มันเป็นจริงอยู่ไม่มีมนุษย์เทเวดามานพรมจะไปลบเลือนได้ของสูงของดีของประเสริฐกว่าเพื่อนเราจะไปตีค่าให้ต่ำลงมันก็เป็นไปไม่ได้ ทัานใดพอดีคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นของสูงเหนือใดใดทั้งปวงในโลกจึงทรงพนามว่าโลกวิถูอย่างเต็มภูมิไม่กระด้างกระเดืองเลยอนุตตรโพธิสะตธรรมสาธิตเป็นผู้เยี่ยมฝึกตนและฝึกผู้อื่น เหมือนนายสารธิฝึกว่าสัทธาเทวมนุษย์ท่านเป็นผู้สอนของเทวดาละมนุษย์ทั้งหลายอย่างเต็มภูมิเลยเมื่อเป็นดังนี้คำสอนใดในไตรโลกธาจะเอาคำสอนของพุทธศาสนาไปลงสเตจนักมวยอันเดียวกันมันก็ไม่ถูก เอารัดที่อื่อๆมาเท่าทันเทียมถึงพระพุทธศาสนามันก็เท่ากับว่าอึ่งอ่างพองตัวให้สูงขึ้นเหมือนวัวเดี๋ยวทองแตกตายคาที่เท่านี้ได้ไหมเท่านี้ได้ไหมกลางท่อออกเท่านี้ได้ไหมระเบงท่องออกเท่านี้ไ้ไหมมันยังใหญ่กว่านั่นคนแม่ คลองตัวขึนอีกคลองตัวขึ้นอีกเอาท้องแตกตายเรื่องเจ้า อ, อื่นมาเที่ยวเขาพุทธศาสนาเ่นรเราพุทธศาสนาไม่เป็นหน้าที่จะไปซ้อมมวยกับชาวโลกไม่เป็นหน้าที่จะไปสอบออกคะแนนอีกกับใครๆเลย ใครจะนับถือเรื่อไม่นับถือก็ไม่เป็นปัญหาก็เป็นเรื่องของผู้นั้นแต่ความจริงนั้นพระพุทธศาสนาสนูงกว่าใด้ๆทั้งกวงในใจโลกธาตุจึงทรงพนามว่าสัทธาเทวมนุษย์สานางังพุทโธพระขวาเติพุทโธเป็นผู้บิกบานแล้วพระขวาเป็นผู้จำแนกธรรม มีทานวัดศีวัดเปล่าวนาวัดสินหาสินแปดสินร้ยยี่สิบเจ็ดสั่งสอนชาวโลกไว้ทุกยุคทุกสมัยเป็นคำสอนอันเดียวกันตรงเพลงเลยพระพุทธเจ้าจะมากี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามเถิดคำสอนก็เป็นอันเก่าไม่ได้รบล้างพรบอกันเลยเหตุฉะนั้นจึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ไม่ได้ถือแบบว่าบ้ า, บ, าบอเบอร์อะไรสถังสัพพัญชนะเควระปริพุนังปริสุทดทางพรมจริยังประกาศเสสิได้ประกาศพรหมจรรย์บริบูรณ์ทั้งอัฏฐ์ทั้งพยัญชนะแล้วไม่มีอันใดจะบกพร่องเหตุะนั้นจึงมีพระเวไนยบัญญัติมีทำบัญญัติไว้ ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามับัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่ในศึกษาบทตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนเมื่อเราไม่สงสัยคําสอนพระพุทธศาสนาะการเคารพรับถือพระพุทธศาสนาะเราก็ไม่ลังเลเราก็ไม่กระด้างกระเดืองด้วยพอใจด้วย จิบเวลาไหนก็เข็มเวลานะั้นเหมือนเกลือจิบน้อยก็เข็มน้อยจิบมากก็เข็มมากก็เว้นแต่ชื่อคำปราศ พ, พิการคาสอนแต่ละบทละบาทสอนให้รู้จักมนุษย์สมบัติ ด, ด้วยให้รู้จักสวรรค์สมบัติ ด, ด้วย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 สองศาสนาพราหมณ์จะเป็นที่หนึ่งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ที่ถือว่ามีบาปมีบุญที่ถือว่าตายแล้วเกิดน่เป็นฝ่ายพระพุทธศาสนาของเราพวกที่ถือว่าตายแล้วสูญไม่ใช่พระพุทธศาสนาของเราพวกะพราหมณ์แบ่งเป็นสองพวกแต่แลวพวกและพวกก็แบ่งออกเป็นสองอีกเป็นสี่พวกที่ถือว่าตายแล้วสูญพวกที่ถือว่าตายแล้วเกิด พวกที่ซื้อนนว่าเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์อยู่ยไม่จุติแปลผันไปบางพวกก็เกิดเป็นมนุษย์แล้วจุดที่แปลผันแปลด้วยกรรมและผลของกรรมที่ตนทําไม่ดีอันพวกนี้มันเข้าใกล้ขบพระพุทธศาสนาพาราหม์พวกนี้พาราหม์พวกถือที่ตายแล้วศูนย์มันกำไปรเข้ากับพวกชาวโลกของเราที่ถือว่าไม่มีบาปไม่บุญ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 กรรมฐานอยู่ที่ไหนหนังหุ้มอยู่โดยรอบพุทธศาสนาสอนอะไรสอนหนังหุ้มอยู่โดยรอบพุทธศาสนาสอนย่อสอนยังไงจงทำจิตให้บันเทิงในการละบาปบาเพ็ญบุญเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดลลงมาหาใจ ขยายออกเป็นสามจงปฏิบัติกายว า, ากาใจอย่าให้มีโทษกายกรรมสามฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอย่าให้มีไม่จีสุดจิตสี่พูดเท็จพูดส่อเสียพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้ออย่าได้มีมโนทุตจิตสามโรคอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน พาอยาบาดกรองไา่ท่านผอื่นเห็นผิดจากทํานองครองทําให้เว้นซัพูดเป็นสามพูดเป็นสี่ท่านสอนพูดเป็นสี่สิดินน้ำไฟรมจมกันเป็นกายเรียกว่ารูปรูปก็คือกายนี่เอง สอนเป็นห้าเวทนาสัญญาสังขารเวท ญ, ญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารเวิญญาณก็พูดอันเก่าแต่ว่าเรียกเชื่อใหม่พูดเรื่องกายกับใจนี่เองขยายออกกายกับใจขยายออกเป็นห้ากองเรียกว่าขันห้าหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญาสี่สังขารห้าวิ ญ, ญารธาตุสี่คือ ดินน้ำไฟลงมาชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปความรู้สึกอารมณ์ในเวลารูปมากระทบหนาตาเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณขันห้าย่อนเรียกว่านามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามรูปก็คงเป็นรูปตามเดิม สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แปลปวนและแตกสลายาสอนในพิกน า, น า, นารนาลงสู่ไตรักอันนี้เป็นธรรมชั้นสูงวันนี้ปรัชนาปัญญาียก่าปัญญาอบรมสมาธิก็ถูกเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาก็ถูก เรียกว่าศีนสมาธิปัญญาอบรมกันก็ถูกหนังเนื้อเอ็นกระดูกอบรมกันกระดูกเนื้อหนังเอง็นอบรมกันก็ถูกพอะอาศัยซึ่งกันและกันดินน้ำไฟลมอาศัยซึ่งกันและกันก็ถูกเล็กแต่ละก้อนละก้อนแล้วเอาไปเผามันก็เกิดไฟเรียกว่าธาตุดินที่เป็นของแข็ง สิ่งล่านี้เกิดขึ้นได้แปลพวนได้แตกสลายหาระหว่างไม่ได้เป็นยุคยกค้านระหว่างไม่ได้เลยกรรมฐ า, านในว่าพุทธศาสนาย่นลงมามีสองกรรมฐานย่นลงมาให้เป็นสองย่นลงมาให้เป็นสาพกฐานของกายของวาจาของใจอย่าให้มีโทษอันเก่านะะั่นล่ะ แต่ว่าไม่มโทษไม่มีโทษในเรื่องและเมิดศเสียเป็นไม่มีโทษอย่างหยาบไม่ละเมิดในสมาธิเรียกว่ า, ยายกิเลสอย่างกาเรียกว่าธรร ม, มะอย่างกลางเรียกว่าชํชาระกิเลสอย่างกาไม่ละเมิดในปัญญาเรียกว่าชําระกิเลสอย่างละเอียดะแต่ศสียนสมาธิปัญญาแยกกันไม่ได้ ค่ากับหน้ากับตากับจมูกแยกกันไม่ได้เพราะอาศัยซึ่งเดียวอันเดียวกันเคยเห็นหน้ากันเคยเห็นหน้าก็เคยเห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันนั่นฉะนั้นเดก็ดีเคยรู้ในพิจารณาพระพุทธทศาสนาเมื่อพิจารณพุทธศาสนาก็ธรรมศาสานะทั้งศาสนาก็อยู่อันเดียวกันนั่นมันเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ในตัว ผมเมื่อจันเบื้องต้นไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสินห้าไม่เสียดายอยากเล่นอบาัายามุกไม่เสียดายอยากจับสาบแข้งและขอดเวนขอดไพรกับท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับผูกเวนไม่เสียดายอยากกระทือศาสตราอื่น เช่นพราหมณ์หรือผีหรืออะไรอะไรนอกากาพพุทธศาสนาไปแล้วลึกถึงคุณวินามานาไม่วินามานาไม่ใช่ผีหรือวิดามานาไม่ใช่ผีหรอกเพ่ะพระคุณของท่านไม่ใช่แล้ลึกถึงผี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 ไม่พามาโรคไม่พามาโกรธไม่พามาหลงธรรมโมก็ทรงไว้ซึ่งธรรมอันไม่เกิดไม่แก่ไม่แคบไม่ตายไม่โรคไม่โกรธไม่หลงสังโฆก็ปฏิบัติเพื่อไม่โรคไม่โกรธไม่หลงเพื่อไม่เกิดไม่แก่ไม่แคบไม่ตายตบลงพุทโธธรรมโมสังโฆจะว่าน้านล้านคำก็เป็นคำเดียวกันกลมกลืนกันอยู่ เสียงอันเกิมรู้จักไหมเสียงอันเกิมรู้จักไหมคือเอามาแต่ประเทศยวนเสียงอันเกิมพวกขา พ, พวกเขาไปเยี่ยมยวนเขาเอาซื้อมาท่นานพู้ใดสงสัยอะไร ไม่รู้ว่าจะเทศอะไรนึกถึงอะไรก็น่าเทศหมดไม่รู้ว่าจะพูดปลารบอะไรนึกถึงอะไรก็น่าพูดน่าปลารบทั้งนั้นกระชวยกระจายถึงกระชวยกระจายข้อตามข้อกระชวกระจายออกมาจากใจถ้าย่นก็ย่นลงมาถึงใจถ้าพูดน้อยก็น้อยลงที่ใจถ้าพูดมากก็มากลงที่ใจ ทำบุญถ้าน้อยก็น้อยลงที่ใจทำบุญถ้ามากก็มากลงที่ใจทำบาปก็โดยในเดียวกันบาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจบุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจมรรคผลเนี่พานก็ไปบวกมรรคผลเนี่ผานอยู่ที่ใจไม่ไปบวกอยู่ที่อื่นคูนก็เหมือนกันถ้ารบก็ลบออกจากกายลบออกจากใจก็คือบาปสิ่งอื่นไม่เป็นหน้าที่จะลบเธอทั้งหลายอยา ก, กลัวบุญ พระบรมศาลาเมื่อเธอทํามากๆแล้วเธอจะเข้าสู่พระ涅槃พวกเธอทําอะไรมากเสียแล้วฉขนาดพวกเธอจะอยู่เหนือบุญได้ถ้าพวกเธอละบาปยังไม่พอขนานพวกเธอจะอยู่เหนือบาปเหนือบุญได้พวกเธอสร้างบุญพอท้าบุญตอนไหนไหนบาปตอนนั้นนั่นก็าหายไปถ้าพวกเธอสร้างบุญทั้งหมดบาปทั้งหมดก็าหายไปด้วย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 หลังสำหรับนอนก็ต้องนอนแต่เม่นอนขวางหนามตาสำหรับดูก็ดูแต่อย่าให้ไม่โทษหูสำหรับฟังก็ต้องฟังแต่อย่าให้ไม่โทษชิง ท, ทั้งหลายมันก็ส่งไปหาเมืองใจมดัดใครไใครไปรับอะไรอะไรมาใจนี่รับแขก มาทางตาแขกจำพวกหนึ่งจำพวกหนึ่งก็มาทางหูจำพวกหนึ่งก็มาทางแกมูกจำพวกหนึ่งก็มาทางลิ้นจำพวกหนึ่งก็มาทางกายมาทางกายคืออะไรคือเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกระโดดจักว่าเย็นบ้างร้อนบ้างเก็บบ้างปวดบ้างหรือพอดีบ้างหรืออุ่นบ้างหรือร้อนบ้าง ส่งเมมาแะ พ, พื้แต่เพอแต่เราเกิดมานี่มาเห็นมันหยดมันหย่อนสักทีมันส่งเมเข้ามาห า, าตาก็ส่งเมย์รูปเข้ามาหูส่งเมเสียงเข้ามาจมูกก็ส่งเมย์กลิ่นเข้ามาริ้นก็ส่งเมย์รสพอมากระทบกันแล้วร่างกายก็ผดทะพะธรรมารมณ์ ธรรมารมทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตโคตรด้วยธรรมารมคืออะไรคือตาหูจมูกเลี้ยนกายใจเป็นอดีตคือเรื่องตาหูจะหมูกเลี้ยนกายใจอนาคตคือเรื่องตาหูจะมูกเลี้ยนกายใจในปัจจุบันหกหกสามสิบหก ตาตะลุบหมวกตะลุบมีตะลุบตาตะลุหม ว, หม ว, หมวกแล้วหกสิบหมวกนะเกิดขึ้นแปลนี้แปลปวนมันได้รับไปเหมือนกันงานของตาไม่จบสิน้นงานของหูก็ไม่จบสิน้นงานของจมูกก็ไม่จบสิน้นงานของลิ้นก็ไม่จบสิน้น งานของกายก็ไม่จบสิ้นงานของใจก็ไม่จบสิ้นจะจบสิ้นกันก็คืออนุปาทิเสสารีพานคือพระรหารตายแล้วจบสิ้นกันถึงจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามก็ย่อมได้ใช้อยู่ท่าน พ, พู้พไปแล้วนะแต่พวกเราทั้งใช่ด้วยทั้งมีกิเลสด้วย ตากูหูกูแกมูกูเล่นกูกายกูใจกูส่วนพระอริยเจ่าท่านพ้นไปแล้วใจเป็นตาศักว่าใจตาเป็นตาศักว่าตาหูเป็นตาศัก์ว่าหูลิ้นเป็นตาศก์ว่าลิ้นกายเป็นตาศักข์ว่ากายใจเป็นตาศักข์ว่าใจท่านแยกออกซะ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 มันบอกว่าไา้หันอย่างนี้บางทีเราก็ไม่ต้องหันไปตามมันอันนี้อันนี้น่าพอใจรักใครเกียมตัวซะบอกมันมันละอายมันนี้หรอกนี่เป็นหน้าโกรธว่าเกี่ยมตัวโกรธซะบอกมันมันก็หายไปนี่หน้าหลงเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลซะหลงซะเกี่ยมตัวหลงซะบอกมันเมื่อบอกมันทันแล้วมันก็หายไปหรอก บอกไม่ทันมันก็ไม่หายล่ะนี่เรียกว่าด้านปัญญาอบรมศีนสมาธิด้วยหรือสว่าศีนสมาธิอบรมปัญญาก็ถูกเหมือนกัน hmm. เราจะภาวนาไปมากักเพียงไหนก็ตามเถิดในไตโลกะท่านลงมาสู่แห่งเดียวกันคือเกิดขึ้นแล้กกวก็แปรปวนและแตกสลายทั้งนั้นล่ะเออ โลกในบรรจุแต่อเนจจังบรรจุแต่ทุกบรรจุแต่อนัตตาไม่ใช่ตัวตนอเนจจังทุกครั้งอนัตตาไม่ใช่อยู่คนละเป้าเป้าเดียวกันเป็นคณะคิตเห็นต่างหากลมหายใจเข้าข้างหนึ่งเห็นทั้งอเนจจังทุกครั้งอนัตตาแล้วเว้นไว้แต่ไม่ต้องการเห็นทั้งความความเกิดขึ้นและแปรปรวนและแตกสลายพอเราบัญญัติว่า ต้นลมก็มาเป็นกลางลมและมาเป็นท้ายลมใช้แล้วหาระหว่างไม่ได้ความเกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้ความแปรปวนหาระหว่างไม่ได้ความดับไปหาระหว่างไม่ได้สิ่งทำที่ไม่เกิดขึ้นก็หาระหว่างไม่ได้ทำที่ไม่แปรปวนก็หาระหว่างไม่ได้ทำที่ไม่ดับไปก็หาระหว่างไม่ได้เป็นจริงทั้งสองทางไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้อีกทำทั้งหลายเหล่านี้จริงอยู่อย่างนั้น ไม่มีท่านผู้ใดจะไปแต่งมาให้จริงไม่ได้เหตุท่านจริงว่าอาริยฐ์จังยิงอย่างประเสริฐ ท, ทำฝ่ายสังขารก็เกิดดับอยู่หาระหว่างไม่ได้ทุกอยู่หาระหว่างไม่ได้ทำฝ่ายที่ไม่ไมใช่สังขารนะคือพระเนปาย ก็ไม่มีที่เกิดก็ไม่มีที่แปรปวนก็ไม่มีที่ดับหาระหว่างไม่ได้อีกเหมือนกันที่นี่เรื่องทำไฟเกิดไฟดับเนี่ยพวกเราได้ประสบการณ์มามากแล้วมีแต่ทุกข์เกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เก็บตา ย, ตายอยู่ในวัฏจักรศาสรเนี่ยเหตุฉะนั้นจึงปฏิบัติอยากปฏิบัติพระพุทธศาสนา เพื่อพ้นทุกข์ในวันเาขงศารปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อพ้นทุกข์ในวันเจ้าขงศาลปัญหาไม่มากมีนิดเดียวถ้าเพื่อราบเพื่อยศเพื่อสนเสริญเยื่อออะไรอะไรมาต่ออะไรปัญหามันก็มากเมื่อปัญหามันมากมันก็ไม่ชนะฉนังที่จะแก่ทีนี้เมื่อมันรู้เท่าปัญหาแล้ว ปัญหาหาดสลายไปเองยกมุทารหนเช่นยืนยันหน้าเดียวดิงว่าโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันมีแต่ทุกข์เท่านั้นมีแต่อนันจังเท่านั้นจะเกิดมากี่ชาติกี่ภพก็มีแต่ทุกข์กับตายเท่านั้นถ้ารู้ชัดว่าโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยกองทุกข ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วนี้ปัญหาอะไรมันจะมากแค่ในคิดในใจของเราเราจะให้เอธิญานไปเพื่ออะไรมันก็ต้องห้ามเบรกลงเพราะเหตุใดมันจึงห้ามเบรกไม่ลงเพราะเราไม่ค่อยพิจารณ า, าเพราะเอาความหลงมาเป็นอาจารย์มากกว่าความรู้ตามเป็นจริงเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้หลงอยู่นาน เหตุฉะนั้นพระพระมศา ส, ต ร, สตราท่านจึงบอกว่าพาวิตาพระคงรีคตาท่านทั้งหลายจงทำให้มากจงพิจารณาให้มากเถิดความหลงของเธอทั้งหลายหากจางไปเองดอกอนี่พวกเรานานๆจึงจะมาเยี่ยมข้าวหนึ่งนานๆจึงจะมาเยี่ยมข้าวหนึ่งเพราะความหลงมันไม่มากกว่านี่เครื่องดึงดูดมากกว่านี่ ทำใจระ บ, บาทของพุทธศาสนาค่าๆคบว่าร่องเรียกอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนลูกหลานเอย๋ยลูกหลานเอย๋ยมาเถิดมาเถิดมนุษย์โลกเทวโลกสวรรคโลกพ ม, มโลกพ่อได้อยู่แล้วมาหาพ่อซะพระเนรพลค่าๆ ข, ข, ข้าบอกว่าอย่างนั้นแหละแต่วพวกเราไม่ฟังซะทำหูบอกหูหนวก บางทีกาครับบ้างบางทีก็ผมว่าแต่ว่าคําสอนแต่ละวัฏบาทเนี่ยร้องเรียกอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนอ๋อสมมุติซัจจะทันดังตีประกาศก้องอยู่ไม่มีกัางวันกัางคืนเหมือนกองท่านเทศอย่างนั้นอ๋อความแก่ก็ไม่ลงทําว่าความเก็บก็ไม่ลงทาํวาว่า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 เพื่อจะบันทอนกิเลสไม่ให้มาเกิดแก่เก็บตายในวตาทุกสารอีกจนถึงที่สุดทุกโดยชอบมีความหมายเท่านั้นผู้บรรมีแก่กล้ามาแล้วก็ดิ่งพระเนพานสมบัติเลยเพราะเหตุใดจึงดิ่งพระเนพานสมบัติเพราะเหตุว่าเห็นชัดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติว่ามันเป็นของมาเที่ยงชัดแล้วพรักบกำลมเข้าออกด้วย พร้อมกับอะไรต่ออะไรสารพัดด้วยเห็นชัดอย่างนั้นแล้วตัดความสงสัยในโลกทั้งปวงคิดใจก็ดิ่งถึงพระนิพนเท่านั้นเหตุที่คิดใจไม่ดิ่งถึงพระนิพานก็เพราะอะไรก็เพราะยังจะหาความสุขในโลกอยู่เพราะกิเลสยังงนา ถ้าเรายังไม่ยินดีใ น, นภายในผานเรายังแสวงหาความสุขในโลกอยู่เขาขอให้ทราบเถิดว่าบารมีของเรายังอ่อนอยู่นะเมื่อรู้ว่าอ่อนก็รีบทําให้แข็งแกร่งขึ้นผู้ทท่านไม่ลืมตัวในว่าตัทสงสารเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าเห็นโลกทั้งพวงเป็นอนิจจัง เห็นโลกทั้งปวงเหมือนหลุมฐานเพลิงคือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์ก็สิ่งนั้นทนได้ยากถ้าว่าไม่ทุกข์ก็ลองปิดจมูกดูสิปิดปากดูนั่นแหละก้อนตายอยู่ที่นั่นก้อนเกิดอยู่ที่ไหนก้อนตายก็อยู่ที่นั่นแหะ เกิดมามากแล้วพวกเราจะเรียนวิชาเบื่อเกิดแก่มามากแล้วเจ็บมามากแล้วตายมามากแล้วจนนับไม่ไหวแล้วจะ เ, เรียนวิชาอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็ บ, ไ ม, กบไม่ตายไปนี้เกิดแก่แกบตายโรคปวดหลงไม่ได้เข้าใจเราเป็นของใหม่ของเก่าที่เคยท่องที่เอามาในวัฏจักรสงสารนั่นเอง คราวนี้จะล่างสมองใหม่ทีนี้จะไปเดินตามทางเก่าความพิษกว่าทางเก่าความถูกกว่าทางเก่าเหมือนกันวัตตาทงสารก็เป็นทางเก่าพระเนปานก็เป็นทางเก่าเหมือนกันหนักแต่เมื่อเปิดออกก็เป็นเขาใหม่ใหม่อยู่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 เบื่อแล้วยอมแล้วทะเลหลงเอ๋ยเมื่อทะเลปัญญามาแล้วทะเลหลงจะแต ก, กจะเจอผมพูดอย่างนั้นแต่ก่อนข้าพเจ้าเคยหลงมาเดี๋ยวนี้พระปัญญามาแล้วข้าพเจ้าจะไม่สงสัยในโรคทั้งปวงละ เพราะเคยสงสัยมาหลายภพหลายชาติแล้วเคยเป็นนี่ความสงสัยมาหลายภพหลายชาติแล้วจะเค็ดจะลาบให้ทานรักษาศีลภาวน า, า, า, า, าจะมุ่งพระ涅槃สิ่งเดียวนามโอเล็กนาโมผานามโอบัตนามเอเวอร์จะทิ้งตูมเลยไม่ได้เอามาใกล้ พุโทโธเลยพุโทโธผาพุโทโธบัตรพุโทโธเบอร์ก็เหมือนกันพุโทโธมนุษย์สมบัติพุโทโธสวรรค์สมบัติพรสมบมั ต, มมมติก็ไม่ประมาทแต่จะยินดีในพระเนปานสมบัติไปทางรัฐเราไปทางรัฐเราไปกรุงเทพ เราจะไปตรงสักเพียงไหนก็นตามมันก็ต้องผ่านโคราชเหมือนกันจะนอนจีปีก็ผ่านโคราชเหมือนกันจะไปวันเดียวคู่เดียวกลับมาก็ผ่านโคราชเหมือนกันนี่เดียวเนี่ยไปแล้วกลับมาแล้วเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยนะจิบเล็กไปแล้วเนี่ยกลับไปแล้วนี่ยมาแล้วนี่ยผ่านโคราชไปแล้วเนี่ย ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาเพราะชอบเลียงแลดูรูปยังไม่เบื่อนายยังไม่เมื่อเบื่อนายตาด้วยเมื่อยังไม่เมื่อเบื่อนายรูปด้วยทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียง ไม่เบื่อเสียงไม่เบื่อหูถ้าโปรธมากก็เบื่อเสียงเท่านั้นไม่ได้เบื่อหูตัวรูปไม่พอใจมาก็เบื่อรูปเท่านั้นไม่ได้เบื่อตาตัวเหตุฉะนั้นจึงมาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารอยู่นี่เป็นตัวศีล น, นี่เป็นตัวสมาธิ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 คนตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาอยู่ซับทั้งหลายจริงได้มาท่องเที่ยวสร้างอันนี้ น, นมาด้วยความหลงของตนที่สร้างไว้ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าองค์ไหนมาสร้างผู้เป็นเจ้าโง่สร้างไว้ที่เรียกว่าอเวชชาอเวชชาสิไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกขสมุทยัยไม่รู้เหตุเกิดทุกไมไ่รู้ความดับทุกไมไ่รู้ทางดนนัมโนนนะถึงความดับทุก ละคูไ่ไม่รู้ข้อปฏิัตาที่ถึงความรับทุกข์โดยจากความาคือไม่รู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้ทานศีลภาวนานั่นเองไม่รู้บาปรู้บุญนั่นเองไม่รู้ระบาปบาเพ็ญบุญนั่นเองนะทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกาย ก็เพราะสัตว์ทั้งหลายยังไม่เบื่อหน่ายในผูดทพะไม่เบื่อหน่ายในส ก, กุลร่างกายด้วยผดทพะยันรอดอ่อนแข็งเช่นห่มผ้าเป็นต้นหรือเพศกา ม, มารมที่กระทบกันเป็นต้น เรียกว่าปูดท่าธาตุนะทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีใจเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบนึกชอบคิดยังไม่เบื่อหน่าย มีปัญหาสอดเข้ามาว่าถ้าอย่างนั้นพระนพานไม่ใช่ใจหรอกหรือขอตอบว่าพระนพานที่ยังไม่ตายก็คือใจเราดีๆเองคือพระทหารที่ยังไม่ตายก็ใจแต่ใจไม่ใช่พระเิพานใจเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อพระนพานต่างหาก ถ้าทำถูกถ้าทำผิดก็เครื่องเป็นเครื่องโลภนรกพระพนปาลที่พระอรหันต์ตายแล้วไม่เรียกวายใจเพราะไม่เป็นฐานะเรียกได้แต่เพียงว่าทำอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นศูนย์จากเกิดจากแก่จากเจ็ บ, จา ก, กบจากตายคําว่าศูนย์ไม่ใช่ศูนย์จนไม่มีพระนปา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 ใครเป็นผู้เสวยรถเมาสุราก็นอกจากผู้กินสุราเท่านั้นจึงจะเสวยรถเมาสุราเข้าใกล้ไหมเธนอกจากนอกจากพระโสดาวันลงมา พวกเราได้เป็นแล้วสารพัดมนุษย์ชั้นต่ําชั้นสูงชั้นกลางชั้นรูกขี้ไายขี้ดิชาติรูปสวยลูกงามสารพัดเศรษฐีกุดุมพีพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นหมดแล้วมาในวันตาท้องสานเนี่ยที่เราพวกเทาท่องเที่ยวมานี่ตั้งนันทล้านตั้งอสงไขอสงไข ชาติเลยพวกเราที่ท่องเที่ยวมาในวัดตรทราทงศาลนี่นกทุกชนิดพวกเราเขาเคยเได้เป็นมาแล้วมนุษย์ทุกชั้นพวกเราเคยได้เป็นมาแล้วเทวดาทุกชั้นพวกเราเคยได้เป็นมาแล้วตลอดถึงผมมาร o เพราะมันไม่กีล่ลางอย่างยืนหมดอายุก็ลงมาอย่างนี้ล่ะลงมาอย่างนี้ที่นี่พวกเรายังไม่ได้ถึงแต่พระเนภาหรือสุพเจปนโนอุโชยา ย, ายะเท่านั้น ถ้าพวกที่ถึงสุพัทยาโนแล้วก็มีหน้าที่ดึงเข้าพระเนปาลโดยง่ายเลยไม่ต้องลังรังเลยสงสัยว่าจะไปไส้เลยขวาหรือกับหลังถ้ายังไม่ถึงพระสวสดาวันแล้วก็บางทีเรียกขวาก็มีบางทีเก็ไส้ก็มีบางทีเดินหน้าก็มีบางทีถอยหลังก็มี เพราะมันมีหลายบางทีมันมีอยู่สามสี่บางทีบางทีก็ถอยล้างบางทีก็แวะทางขวาบางทีก็แวะทางซ้ายบางทีก็เดินตรงเดินตรงคือเดินไปสู่พระสสดาบัณฑ์เหตุฉะนั้นถ้าผู้ภายนอกชาวพูดของเรายังไม่ได้ค่อให้เอาซักถ้าได้แล้วก็ให้แต่สักกะถาคามีไปอีกภูมิท้องพระสวสดาบัณไม่ยากเนอมีศีนหาบริบูรณ์ จะเรีอนอยนโยมภาวนาหรือไม่ภาวนามันก็ภาวนาอยู่ในตัวเพราะมันไม่สามารถจะลวกสิน 5, ก้นห้าเขเรียกว่าศีรานุสติอยู่แล้วนั่นก็เรียกว่าสัมาทิฏิอยู่แล้วเขาหา่ามวยพูดแท้ง <laughs> เขาหา่ามวยพูดแห้ง <laughs> อย่าเสียดายร่วงละเมิด เอาใครอยากได้พระโสดาบันให้เอาเดี๋ยวนี้จะเป็นพยานให้ถ้าเสียดายล่วงละเมิดดูยังไม่ใช่พระโสดาบันเนอถ้าเสียดายล่วงละเมิดสิ้นห้าเอาใครเสียดายหรือไม่ตอบเจ้าของให้มันได้ถ้าตอบเจ้าของไม่ได้ก็ตอบโกหกเจ้าของมันก็ตอบไม่ได้หรอกใครเสียดายอยาจะถือศาสดราอื่นมาปนเปบ้า เวลาแก็บป่วยร้งกรร้องหาผีร้องหาเทเวดาลร้องหาผีเข้าเจ้าทรงใครเสียดายอยากทำอย่างนั้นถ้าไม่เสียดายอยากทำอย่างนั้นก็ถามเจ้าของตอบเจ้าของให้ได้ใครเสียดายอยากจะขอดเวนขอดภัยกับสัตว์ทั้งหลายบ้าง ใครสงสัยผลสินผลฐานบ้างถ้าใครไม่สงสินสงสัยผลสินของผลทานพวนั้นก็คือสูปฏิปนูเราดีๆนี่เอจะภาวนาจนตลอดรุ่งก็ตามถ้ายังสงสัยว่าจะถือศาสดาอื่นอยู่ มันก็เป็นภาวนาไปทางโลกีไม่ใช่โลกุตระเอาไม่ยากเราสมัครเป็นทหารมันก็ต้องไปสอบเสียก่อนแล้วก็เราจะสมัครเป็นตำรวจก็ต้องในลงทุนนั้นนี่เราไม่ในลงทุนเลย จิตใจก็บริบูรณ์แล้ว น, สนะสกลลกายเขามันเป็นคนง่อยเปรีย้ยธาตสี่นิ้น้าไฟรมพอแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์สมบัติบริบูรณ์แล้วสวรรค์สมบัติก็ได้มาแล้วคือเป็นมนุษย์ก็ได้รับสุขอยู่บ้างพรหมสมบัติก็ได้อยู่บ้างแล้วกว็พระบางเทีก็มีเมตตาอยู่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 จะว่าไม่บอกเนอ้อเสียดายอยากคบมิตชั่วก็ไม่ใช่พระสสดาวันเนอ้อเสียดายอยากล่วงละเมิดสามีของตนอยากละวงละเมิดภรรยาของตนก็ไม่ใช่พระสวสดาวันเนอ้อ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 นั่นคืออะไรคือสมาธิคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ทรงอยู่ที่นั่นด้วยสีลกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่แห่งเดียวกันสีนห้าตัวถ้าเอาไม่ละละเมิดมันก็มารวมเป็นตัวเดียวกันอยู่ที่ดวงใจคือสีนใจสีนใจ ตัดศีนทนี่เอาตัอเสืสอสลีซสกแต่ก่อนเอาตัวซอตาลาสลีรัอ ล, ลอลีงเรียกว่าศีนนอศีลตัวนั้นเปรียบเหมือนศีลาทําให้แน่ยาไปะค่าสารลักฆ่าพุ่มพิษในกลามเนอ้อทําให้แนเหมือนศีลาว่าอย่างนั้นเนาะจึงทรงว่าศีน ทำไมเราจึงไม่เสียดายอยากเราจะร่วงละเมิดเพราะเราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เลยเป็นยาพิษต้องๆไม่มไม่เคลือบน้ำตาลเลยขณะใเราจึงไม่เสียดายอยากล่วงอบัยมุเพราะเราเห็นชัดลงเอ่ยตามพระองค์ว่า มันเป็นทางแห่งมนุษย์วิบัติไม่ใช่มนุษย์สมบัติเราไปจับมนุษย์สมบัติมนุษย์วิบัติมาเป็นมนุษย์สมบัติมันรอดก็ตรงเงินข้ามเพราะเราใส่ชื่อเรือนามไม่ถูกเราบัญญัติบาปบุญไม่ถูกเหมือนพระบรมศาลา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 มีอานิ่ยสงมากกว่าเรื่อมใส่สิ่งอื่นล่าหรือละละละรอสงไขยอสงไ ข, ขยคณะกิจอีกเรื่อมใสในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์คณะกิจเดียวก็เหมือนกันเรื่อมใสในการทํามาหาเรี่ยงชีวิตในทางที่ชอบก็เหมือนกัน ผู้ที่ถือศยศาสตร์ต่างๆยังจัดเป็นสัมมาทิฏฐิไม่บริบูรณ์สัมมาทิฏฐิฉบริบูรณ์ก็คือสุปฏิปันโนในขั้นเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาคือเห็นชอบตามก่อนนั้นลงมาไม่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะยังไม่นับเข้าในโลกุตละคาว่าสัมมาทิฏฐิต้องนับเข้าในโลกุตละจึงเป็นกฎเกณฑ์ได้นับแต่ชุพเทปโนเป็นต้นไปแต่เราทาบาบาบา้าทำบุญบา้าเวลาเราจะตายเราเึิถึงบุญก็ไปหาบุญเราเรถึงบาปก็ต้องไปห้าบาปส่วนชุพเทปโนมันจะเป็นอย่างนั้นนึกถึงบุญสิ่งเดียวเลยไม่บรรดาให้หลง ไปตามบุญเลยชุติปัตโนผ่านสุติปัตโนแล้วก็ผ่านอุจุแล้วก็ผ่านยายะแล้วก็สามสามีจะผ่านเรวหรือชาไม่เป็นปัญหานั่นขึ้นอยู่กับปัญญาแต่ละท่านขึ้นอยู่กับบรารมีแต่ละท่านออกจากสถานีพระสวามันไปสถานีสักธาคามี ออกจากสถานีไปสถานีพระอนาคามีออกจากพระอนาคาเมืไปสถานีของพระลาหนแล้วไม่ตีตัวกลับเลยทัาเข้าสู่พระานไปซะถ้าไม่ตีตัวกลับพวกพระปจ้าโนุชุยายะสามีไปตะพื้เลยเข้าสู่พระ涅槃เลย เดี๋ยวพวกเราเนี่ตีตัวกลับไงเป็นเสือเล่มซ้า้ลืมไปสติเวมาโตสเวเสโยลืมไปลืมไปก็รู้จักเลยมันลืมมันก็รู้จักเขามันลืม ลืมครอบกันเลยทุกข์อะไรวะเออเอาสงสัยอะไรนะฮะบอกกันเอกว่าบ อ, อนเองว่าบ อ, อ, อกกนเองว่าภาวนาของใครของมันเนอะฟังออกไหมเราพูดอย่างนี้ภาวนาของใครของมันเคยภาวนาพุโทโธก็ภาวนาพุโทโธเนอรับขากันเนอะ ทีนี้จะทำอะไรก็ทำสัะทีงานยังไม่แล้วนี่ฮะฮะเออ่ะทำสัจะทำอะไรก็ทำสักทีนี่ะเอาผาผมนี่ไหเนี่ย ผมยางนี่กับทำยางนี้อันไห้มันดีนึ่งนี่ผางนี่กทำางนี่อันไหนมันดีตั้งอย่างั้งสองอย่างเีนหน่อยทาตามไปนนอยเราทำ้หน่อย ภาพลูกปูแล้วนึกถึงอะไรถ่ายรูปปูจะได้เอาไปดูเวลอนะเยี่ยมเวลาถ่ายรูปนี้ว่าลูกปูแล้วนึกถึงอะไรลูกูแล้วนกถึงเรื่องข้าวเนียวฟ้าข้าวเหนฟ้ า, ฟ า, ม, ามาถ่ายรูปอย่างนี้รือบครับ ข้าใจไหมในเวลาที่พ่อคุณรยาถ่ า, ายรูปท่านได้พาหน้ามาถ่ายรูปของลูกปูน่่นแรงครับอะถ่ายอีกครับตอออกนะลู่อออกนะตอออกอันนี้ไ่วลกเกียเยเรื่องน้ลูกปูเราเกี่ยแล้อันนี้น ถายรูปังขามอทุกเาเยาม า, า, มานมาถ่ายหรอธรรมชาติสูงอยทุกขยบะใครอยากพุ่นทุกง่ายให้ภาวนาว่าเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นพร้อมกำลมหายใจเข้าออกนั่นคือตัวศีลชั้นสูง นั่นคือตัวสมาธิชั้นสูงนั่นคือตัวปัญญาชั้นสูงเป็นกองพลรวมกันไปเพราะเหตุใดจึงยืนยันอย่างนั้นีนก็เพราะเหตุว่ามันมีแต่สังขารและกองทุก็กเลยปฏิเสธว่าเป็นแต่สักวารูปเป็นแต่สักวเห็นเพราะมีแต่สังขารและกองทุกไม่มีตัวตนเราเขาเสียแล้ว เหตนไงจึงเหตุไงจึงยืนยันอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่ามีแต่สังขารและกองทุกข์ในไตโลกธาตเหตุฉะนั้นจึงยืนยันว่าเป็นแต่ักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นก็เห็นกองทุกข์นั่นเองเป็นแต่สักว่ารูปก็คือรูปกองทุกข์นั่นเองเป็นแต่สักว่าเห็นก็คือเห็นกองทุกข์นั่นเองเพราะพระนพจรไม่ได้มายืนยันว่าเห็นว่ามารูปมาโง่มาสาดด้วยอ เอาละทีนี้นะเดี๋ยวยังไม่ให้คัยังไม่ทัานให้พอรเลยอยากค่ะ ยะถาวาทิวาฮาปุราภิฑูปิเทศะกะลังเอวเมวยโตินังไปตานังปิติจังปิจิตังตูมังเกเมวัเมชาตูสูเรียนตสงกะาจันนโสยะามนโราติโยวัจันตูสัพตุโกปโยสัโรโวินั สัตุาเตปวัตตอนดาราโ a ตุเขธีคาโยกูพระวะอภิวาทนาสีฤาษีจังวัฏาปยาโยนูจตารูธรรมวัจจันติอายุวนูสุขังพระรังสปุทาลพาวีะสัพพธรรมาลพาวีะสัพพสังฆาลพาวีะพุทธะตรังสัพพะตรังสังฆะตรังตินังรังนังานุพาวีะยตุราีีสตธรรมกันธาลาวีะปิตกตยาาวะสามะกาลลพาวีะสเปเโร สัพเพเติยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัาสัพเพเตุนมิตาสัพเพเตอวมังคลาวิรันตุอายุวัตตโกตการทนวัตตะโกตะกาสิวัตตะโกตกายสัวตะโกตกานวัตตโกตการวนาวัโกตกาสุขาวัตตะโกตะการหตัสพตโกราวีาโศกัสตุปัานกรตรายาิเวสันตุยติคภาสิทธะนางลาพังโสติภาคยังสุขังลังสิริอายุจวัโนะโพคังวุติ เจยศสสดตาวัตสาอายุยชีวะสิเตปวนตุเวตุสัพระมาณกลงคันสัพเทวตาสัพพุตานุภาเวนะสัตตาสุตวนตุเวตุสัพมงคันสัพเทวตาสัพพธมานุภาเวนะสัสวนตุเวตุสัพมงคันตสัพเทวตาสสงานุภาเวนะ สตาสุติพวันตเตยอยู่ทุกนีม้มีประมาณนั้นเถอะพุทธโธธรรมโอสังโฆเน ป, ปานะให้พรจนถึงพระเน ป, ปานให้พรเป็นโลกุตระพรเอาละทีนี่ไปคือไปเตะเสาจไงฉันอย่ า, างนั้นเหอนกัน มีเท่าไรพราพุทธศาสตร์นะมีเท่าไรมันก็น้อมไปนเ่ยจูงขีดจูงใจของเราไปอ่ารามณ์พัจจโยอารมเป็นปัจจัยไปทางบุญว่าเห็นครูบาอาจาร ย, จยรย์เนตยาพัจจโยเนตสายเคยได้สร้างมาปุเรชาตปาัจจโย ในพุทธิชาจะเคยได้สร้างมาความดีปัจฉาชาติปัจเจอยปัจฉาชาติก็สร้างเพิ่มเข้าอันยัมันยักันอันยักมันยัปัจจอยนิทยปัจเจอยพุทธชาติปัจเจอโยปัจฉาชาติปัจจอโยเอเสวนาปัจจอยกัมมะปัจเจอโยมีกุศลกรรมเป็นที่ไปวิปากาปเจอโยคือบุญคือผลของกุศล อาหารปัโยอาหารที่เป็นกุศลอินทรียะปฏิโยคืออินทรีย์ของเราแก่ก้าไปในทางกุศลชาณปฏิโยคือเราเจริญชาญเราเจริญชาญก็เป็นปัจจัย ใ, จให้เป็นไปภมโลก มันก็ไม่ได้ใส่ชื่อเรือนามว่ามันเป็นเสียงแต่เราก็มาใส่ชื่อเรือนามเอาหูความเหมือนกันมันก็ไม่ได้ใส่ชื่อเรือนามว่ามันเป็นหูแต่พระยาคิตราสมาใส่ชื่อเรือนามจมูกก็ามเหมือนกันมันก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันชื่อจมูกแต่ว่าพระยาคิตราไปใส่ชื่อให้มันคิตรสังขารเรี่องกายก็เหมือนกันทีนี้ใจไม่มีใครใส่ชื่อเรือนามให้ตน เขาไม่ตอบแทนใส่ชื่อว่าตาหงษ์เฉลิม่งกายแล้วเขาก็ไม่ตอบแทนและเขาก็ไม่ปัดและเขาก็ไม่รับใจก็เอาโขน่วมหัวตัวเองขึ้นว่าใจใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจนั่นสมมุติก็คือใจเป็นต้นสมมติอ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 ถ้าใจหลงใจตอนใดใใจก็หลงทำตอนนั้นๆั้นถ้าใจรู้เท่าใจตอนใดๆใจก็รู้เท่าทำตอนนั้นนั้นถ้าใจปฏิบัติใจตอนใดๆใจก็ปฏิบัติทำตอนนั้นนั้นหมายเอาแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์อันนี้เอาจะปลารกอะไรอีกก็ปลารกซะ อาหารของใจอาหารของอาหารใจของนักปราชคือบุญอาหารใจของเป็ดนักเป็ดคือบาปแต่ใครเป็นนักเป็ดนักปราชก็แล้วแต่เจ้าของจะดูเอานอกจากตนไม่มีคในใครจะรู้เท่าตน นอกรไกใจไม่มีอะไรจะรู้เท่าใจเหตุใจที่สงสัยอันใดผลของไใจก็สงสัยอันนั้นถ้าอางนั้นเหตุ ก, ก, ห ก, กับผลก็มาอยู่ห่างกันพ่อเก้าพ่อเก้ามักกับผลก็มาอยู่ห่างกันพ่อเก้าก็มีความหมายอันเดียวกันมักแปลว่าเหตุผลแปลว่าผลของเหตุมัก็แปลว่าเหตุผลก็เป็น แปลผลของมักอันเก่าอนะันหนานี่นี่มักงที่มากนี่ฆ่านมักที่สัมากเนี่ยนี่มักงที่คนคนคนหนูช่วยช่วยคนแกะ วัสาร์วัสครับพระพุทธศาสนายังอยู่ยังยืนยงรเราก็เหมือนอยู่คงเชี่ด้วยพระพุทธศาสนาพี่นาฏรงชาวพุทธจะอยู่ได้เลยเราก็เหมือนวอดม้วย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 ผู้นั้นเรียนวิชาบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าคว้างปลาค้อนใส่ต้นเสางักงวยเอกก็หลบไม่ทันกำฝุนโตลมลมพัดจัดมาเดี๋ยวก็เข้าปากเข้าจมูกว่าลมไม่วัดไม่รับไว้ เราได้ศาสนาดีแล้วเราไม่ต้องเป็นกบเลือกนายมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในเบึงใหญ่อยู่มากบผูงนั้นอยากกหาหนายคุ้มครองป้องกันตัวแล้วจึงไปขอร้องเกเทวดาว่าขอให้ส่งนายมาให้เทวดา ท่านก็ทิ้งขอนไห้ขอนหนึ่งลงไปเสียงดังสะท้านพาให้กบตื่นตกใจยังมีกบกล้าตัวหนึ่งไหวหน้า ม, มามองเห็นเขา้าแล้วก็ขึ้นไปงออยู่ที่บนขอนหมูก็ขึ้นไปอยู่ด้วยกันขั้นดูนานมาก็เห็นว่าขอนไหวไมันมีประโยชน์อะไรแล้วก็มีแต่ฟูให้เรางออยู่เฉย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 พวกเราอย่าเป็นกบเลือกนายนายของเราคือพระสรรมจักพุทธเจ้าพราเป็นพระพธรรมพระสงฆ์อันทรงอยู่ที่รวงใจของเราคอยบอกคอยสอนเราอยู่ทุกวันคอยเราเคารพก็พอเคารพทำจำหนงด้วยจิตสกายวาจาจำาำําจำหนงทรงอยู่ที่กายวาจาใจ เอากายวาจาใจเป็นหิ่งเป็นหิ่งของพระพุทธพระธรพระสง์ให้ขี้รถเยี่ยวรถเจียบย่ำทถมน้ำลายคลายน้ำโมกใส่อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุก์มนวัตตะสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดปัจจุบันในกิจปัจจุบันนธรรมอันใดที่บุดพ้นไม่กับกอกไมลเลสเสด ถ้าไปเข้าชงลู่ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงในขณะนั้นสวับดนิมือเดียวอยู่ทุกเมื่อเทือนก็รองลงที่นั่นไม่ต้องอนาคตอนาคตมันคดไปเรื่อยอนาคตมันมีแต่บัญชีพอมันยังไม่มาถึงอดีตมันก็ร่วงไปแล้ว มีเงินก็ใช่ไปแล้วดีเราทําดีก็ดีไปแล้วเราทชั่วเ็ชั่วไปแล้วอนาคนเราทําดีก็ยังไม่ทันทำํำเราทําชั่วก็ยังไม่ทันทําปัจจุบันมีอิสระเต็มที อ, อ, อ่พวกเราก็มักคัดค้านว่าไม่มีเวลาแต่เวลาหายใจเข้าออกมีอยู่แตนี้แต่เวลาจะทําความดีไม่มีแน่แน่แต่นี่ แต่เวลาหายใจเข้าออกนีเพราะกลัวตายป่าช่าก็คือป่าโรคป่าโกรธป่าหลงป่าช่าที่เอาไปทิ้งมันอยู่ในหัวใจของเราในป่าโรคป่าโกรธป่าหลงถ้าเผาก็เผาป่าช่าอันนี้ พอออกสัถ้ามีโรคมีโกรธไม่หลงอยู่แล้วก็ต้องชาเนี่ยนีเรียกว่าฝ่าชาเนี่ยฝ่าชาอยู่ที่หัวใจตาไว้ก็อยู่ที่ไวยเหมือนกันถ้ารู้ว่าชาแล้วก็รอยสักถ้ามีใจกิเลสก็ไม่มีที่อาศัยถ้าไม่มีเลสสนิมก็ไม่มีที่อาศัยแต่เล็ดดีไม่มีสนิม การประพฤติพรมกันถ้าเราปฏิเสธอาบน้ำไม่ได้เขามันสกรปรกครวมมร่างกายของเราเราก็ปฏิเสธการปฏิบัติใจไม่ได้เหมือนกันเพราะมันมีแต่กิเลสมีแต่โรคแต่โกูดแต่หลงเราไม่ปฏิบัติมัน จะให้ตาคงไม่จะเรียนกายใจมานากายมาปฏิจจบัติมันก็ไม่มาปฏิจจบัติจะให้เรียนฝ่าอากาศภายนอกมาปฏิจจบัติมันก็ไม่ปฏิจจบัติเวียดเบียนตนก็คือเบียดเบีนใจเวียดเบียนใจก็คือเวียดเบียนตนนับตั้งเอาละทีนี้ไปไปพักทีนี้ภาวนาเนะนอนภาวนาก็ได้เนอะนอนภาวนาก็ได้ผมกันแล้ว หลวงตาเทิดไ ม, ไม่มีเอวังไม่มีเอวังเพราะไม่มีเอวังถ้าเกิด <c oughs>